วิญญาณกตัญญูโดยทอเลียงพิบูลจากหนังสือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเล่มที่หนึ่งเมื่อครั้งสมัยก่อนข้าพระเจ้าเดินทางไปทางภาคเหนือต้องลงพักสถานีปากน้ำโพเพื่อความสะดวกจึงพักแรมที่สถานีรถไฟ เวลานั้นชั้นบนของสถานีรถไฟเป็นที่พักแรมรู้สึกว่าโรงแรมแห่งนี้ไม่ค่อยจะมีผู้คนมาพักมากนักเพราะว่าทุกคนเมื่อลงจากรถไฟก็ข้ามไปพักฝั่งเมืองนอกจากข้าพเจ้าแล้วก็ยังมีชายอีกผู้หนึ่งซึ่งอายุมากกว่าข้าพเจ้าการที่มาพักในโรงแรมเดียวกันซึ่งมีเราเพียงสองคนเท่านั้นซ้ํายังเป็นคนไทยด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรที่จะไม่หันหน้าเข้ามาสนทนาและทําความรู้จักกันก็ไม่ยากนัก แล้วเราก็สนิทสนมกันท่าทางของชายผู้นี้เป็นคนดีมีความรู้เป็นคนเปิดเผยคบง่ายเป็นกันเองตอนหนึ่งข้าพเจ้าบ่นว่าที่พักมีความสะอาดน้อยกว่าโรงแรมรถไฟทั่ ว, วไปที่เคยพักมาแล้วเพื่อนร่วมที่พักของข้าพเจ้าก็บอกว่าอย่าไปสนใจอะไรเลยคุณเรื่องที่พักอะ่ะเมื่อเราออกจากบ้านแล้วหาความสะดวกสบายได้ยากเราพักแค่คืนเดียวเท่านั้นทนเอาหน่อย อย่าไปนึกอะไรผมผจญมามากกว่านี้แล้วก็เล่าเรื่องผจญภัยต่อเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังให้เวลาผ่านไปอย่างเพลิดเพลินแต่ว่าท้าพระเจ้าสนใจในเรื่องหนึ่งท้าพระเจ้าจึงตัดสินใจตัดตอนมาลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเมื่อรถยนต์โดยสารจอดที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งพวกคนโดยสารก็รีบลงผมมาในรถโดยสารนั้นผู้หนึ่งจึงลงมาด้วยเพราะว่าเราต้องเดินทางมาเกือบตลอดทั้งวัน ต่างก็ปัดฝุ่นสีแดงที่ติดตามเสื้อผ้าแล้วก็หน้าผมก็เลยมองดูที่โรงแรมที่พักว่าเป็นตึกเก่าๆปลูกอย่างนาเอถอะทะเอาความแข็งแรงเป็นข้อแรกเอาความสวยงามรองลงมา คงจะเป็นที่ตึกที่เก่าแก่หลังหนึ่งในจังหวัดนั้นข้างบนก็เป็นโรงแรมข้างล่างเป็นร้านขายอาหารแล้วก็กาแฟผมเข้าไปนั่งพักแล้วก็สั่งกาแฟมาถ้วยหนึ่งมองดูเด็กประจํารถปีนขึ้นไปบนหลังคารถโดยสารเลิกผ้าคลุมออกแล้วก็แก้เอาหีบกระเป๋าเดินทางซึ่งผูกไว้กับเหล็กหลังคารถยกส่งลงมาข้างล่างแล้วก็เอาไปไว้ในร้านกาแฟนอกจากผมที่จะพักโรงแรมนี้แล้วก็ยังมีชายกลางคนกับภรรยาสาวซึ่งมีอายุอ่อนกว่า สามีประมาณสัก20ปีที่จะลงมาพักด้วยผู้โดยสารพวกอื่นคงจะเป็นชาวเมืองนั้นก็เลยกลับไปบ้านของตนเองผมกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ส่วนชายสูงอายุนั้นนั่งคอยภรรยาของเขาที่กำลังเข้าห้องน้ำผมก็เลยถามว่าคุณจะพักแรมคืนที่นี่เหมือนกันเหรอครับ ชช่ผู้นั้นตอบว่าครับผมจะพักแรมคืนอยู่ที่นี่รุ่งขึ้นจะเดินทางต่อไปขณะนั้นพอดีกับภรรยาท่านผู้นั้นก็ออกมาจากห้องน้ำมานั่งร่วมสนทนาด้วยทันใดนั้นก็มีจีนไหหลำคนหนึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าขาวสะอาดเดินออกมาจากข้างนายถามว่าคุณต้องการห้องพักหรอครับผมเลยบอกไปว่าหาห้องพักสะอาดดีๆให้พักสองห้องสิเท่าแก่ห้องหนึ่งสำหรับท่านผู้นี้กับคุณนายและผมอยู่คนเดียวห้องหนึ่ง เท่าแก่ผู้นั้นบอกว่าห้องยังเหลือห้องเดียวครับคุณนอกนั้นเต็มหมดผมก็เลยบอกว่าทำไมโรงแรมใหญ่เหลืออยู่ห้องเดียวเท่าแก่บอกว่ามีหลายห้องแต่มีคนเช่าไว้หมดแล้วผมก็เลยถามว่าเมือง น, นี้เห็นคนไม่มากทำไมห้องพักถึงเต็ม เท่าแกตอบว่าคนเช่าไว้ตั้งห้าห้องมีฝรั่งสองคนไทยสามคนกลางวันเข้าไปทำงานในป่าสำรวจแรกกลางคืนกลับมานอนเช้าขึ้นก็ออกไปเขาเช่าไว้ตั้งหลายวันแล้วคิดว่าคงจะอยู่สักสองอาทิตย์ผมก็เลยบอกว่าเหลือห้องเดียวก็ให้คุณทั้งสองคนนี้ก็ละกันเท่าแกผู้นั้นถามว่าแล้วคุณจะไปนอนที่ไหนผมก็เลยบอกว่าคนเดียวไม่เป็นไรจะไปหาที่พักโรงแรมอื่นก็ได้เท่าแกเจ้าของโรงแรมบอกว่า เมืองนี้ไม่มีโรงแรมที่ไหนอีกแล้วนอกจากที่นี่แต่แล้วเท่าแก่โรงแรมก็ทําเป็นนึกสักครู่หนึ่งก็ส่งภาษาจีนพูดกับบอยผมเห็นเจ้าเด็กบอยนั้นสะดุง้งและเท่าแก่บอกกับผมว่ายังมีอยู่ห้องหนึ่งต้องทําความสะอาดเพราะว่าไม่มีคนเข้าพักนานแล้วถ้าคุณจะพักก็ขึ้นไปดูได้ผมบอกว่าตกลงไม่ต้องดูจัด ก, การทําความสะอาดให้ก็แล้วกัน เขาแกจึงสั่งบ่อยให้ยกกระเป๋าเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอากุญแจไปไขในห้องสำหรับหัวเมียแล้วก็เอาไปไขาห้องร้างที่จะให้ผมเข้าไปพักด้วยเมื่อเราขึ้นไปข้างบนมองดูสภาพก็เป็นโรงแรมบ้านนอกธรรมดาทั่วไปสองผัวเมียได้ห้องติดข้างถนนใหญ่สำหรับผมบ่อยเดินนำเอากุญแจไปเปิดอีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ลึกเข้าไปมาก บอยพยายามไขกุญแจเท่าไหร่ก็ไขไม่ออกเพราะมือสั่นก็เลยต้องหยิบเอากุญแจมาไขาเองเมื่อถือกุญแจก็เห็นสนิมติดมือจึงรู้ว่าห้องนี้คงไม่ได้เปิดมานานแล้วเมื่อเปิดกุญแจออกแล้วบ่อยก็เลยถามผมว่านายจะนอนห้องนี้เหรอครับผมพยักหน้าบ่อยก็เลยพูดว่านายเข้าไปก่อนสิประเดี๋ยวผมจะไปทําความสะอาดให้ผมสังเกตดููว่าเจ้าบอยคนนี้ลูกลี้ลุกลนชอบกลผมจึงเข้าไปเปิดหน้าต่างออก รู้สึกว่าห้องมันอับๆเห็นจะเป็นเพราะว่าปิดไว้นานมองดูสภาพก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกนอกจากมุ้งที่ไม่มีแล้วก็ที่นอนที่ม้วนไว้สักครู่บ่อยอีกคนนึงก็หอบเอาผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งขึ้นมาและจัดการเช็ดกวาดทาความสะอาดกัน2คนแล้วก็คุยกันซุบซิบซึ่งผมไม่รู้ว่าพูดอะไรกันแต่ที่ผิดสังเกตก็เพราะเจ้าบอยสองคนนั้นพูดกันแล้วก็หันมาดูหน้าผมแล้วก็หัวเราะกันคล้ายกับผมเป็นตัวตลกผมไม่รู้เรื่องเข้าหัวเราะผมเพราะอะไร และผมก็ไม่เอาใจใส่เมื่อเช็ดปดัดกวาดถูเสร็จเรียบร้อยเขาก็กางมุง้งปูที่นอนใส่ปลอกหมอนเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรผิดปกติกว่าห้องอื่นอย่างไรเลยทำไมเท่าแก่เจ้าของโรงแรมจึงไม่บอกตั้งแต่แรก แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเราก็ได้ห้องนอนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องวิตกว่าจะต้องไปหาที่อื่นนอนทราบว่าตามปกติห้องพักจะไม่ค่อยมีคนเต็มแต่ว่าคราวนั้นมีนักสำรวจทั้งไทยแล้วก็ฝรั่งห้าคนได้มาเช่าห้องไว้ก็เลยทำให้โรงแรมนี้เต็มเย็นนั้นผมอาบน้าชาระล้างร่างกายเสร็จแล้วก็เดินลงมาดูอาหารสั่งอาหาร เพื่อที่จะรับประทานเพราะรู้สึกว่าเมื่อลงมานั่งพวกบ่อยแล้วก็คนจีนหายหลํำบนโรงแรมนั้นต่างก็มองผมเป็นตาเดียวกันผมต้องก้มหน้าลงไปดูเสื้อผ้าว่าอาจจะใส่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยหรือว่าขาดวิน แต่ว่าดูแล้วดูอีกก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็เลยคิดว่าใครจะดูเราอย่างไรก็อย่าไปสนใจเลยเมื่อผมสั่งอาหารเสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปนอนบนห้องพักสักครู่บอยก็เอาตะเกียงเติมน้ํามันมาเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นมาให้แต่ก็เป็นเรื่องที่ทําให้ต้องสงสัยอีกว่าเพียงเอาตะเกียงขึ้นมาก็ต้องขึ้นมากันตั้งสองคนผมอยากจะรู้ให้แน่ชัดก็เลยสั่งให้บอยเนี่เอาบุหรี่ขึ้นมาให้ผมหนึ่งซอง แต่แล้วก็ทำให้ผมสนใจมากขึ้นเพราะว่าเพียงยาซองเดียวเนี่ยก็ยังต้องขึ้นมาให้ผมตั้งสองคนผมก็เลยนึกในใจว่าเอ๊โรงแรมนี้มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนเมื่อเข้ามาในห้องที่ผมอยู่เมื่อบ่อยออกไปแล้วผมก็นั่งนึกอยู่สักครู่หนึ่งก็เลยใส่กุญแจห้องแล้วก็จุดไฟทิ้งไว้แล้วก็เดินลงบันไดไปข้างล่างก็เห็นแสงไฟเจ้าพายุแขวนอยู่กลางห้องมีพวกจีนไหหลานั่งคุยกันเสียงดังใต้แสงเจ้าพายุ พอผมเดินลงไปเสียงที่ดังก็ค่อยๆลงทันทีผมก็เลยทําเป็นไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เท่าแก่เจ้าของโรงแรมก็เลยถามว่าคุณต้องการอะไรบ้างครับผมก็เลยตอบว่าอยากได้น้ําชาจีนสักหนึ่งกาบอกบ่อยเอาขึ้นไปให้ด้วยเสียงเท่าแก่สั่งบอยเป็นภาษาไหาลัมแล้วก็พูดโต้อตอบกลับกันสองสามคำเท่าแก่หันมาพูดกับผมว่าประเดี๋ยวหนึ่งเขาจะเอาขึ้นไปส่งพร้อมกับคุณผมก็เลยบอกว่าเอาขึ้นไปได้ผมจะนอนละ เมื่อพูดเสร็จเรียบร้อยก็เดินขึ้นไปก็เห็นบอยถือน้ำชากาแฟขึ้นมาพร้อมกันหนึ่งสองคนเดินตามหลังผมขึ้นไปเมื่อไขกุญแจห้องเข้าไปแล้วเจ้าบอยก็เข้าไปในห้องวางกาน้ำชาด้วยท่าทางงกงกเ ง, งื่อนเงนพอเห็นแกรีบจะออกจากห้องก็เลยจับข้อมือไว้ผมเห็นบอยคนที่ถูกจับมือนี่ตกใจสะดุ้งสุดตัวปากสาั่นพูดว่าคุณอย่าเล่นแบบนี้กับผมผมใจไม่ดี ก็เลยถามนะว่าเนี่ยอยากจะถามอะไรหน่อยนะว่าฉันรู้สึกมีอะไรแปลกหูแปลกตาลึกลับมากในโรงแรมนี้ผมสังเกตดูบอยสองคนนี้ได้ยินคำพูดแล้วก็ทำตาเหลือกลัวคนจะได้ยินชี้มือไปข้างนอกห้องผมเดินตามออกไปเพราะแกแสดงกิริยาหวาดกลัวมากพอออกไปพ้นห้องแล้วแกก็กระซิบเบาๆบอกว่ากลัวใครจะได้ยินว่าผีผมก็อดหัวเราะไม่ได้ก็เลยถามว่าผีอยู่ที่ไหน บอยสองคนรีบกระซิบบอกว่าในห้องคุณไงเมื่อผมรู้เรื่องผมก็หัวเราะเพราะผมไม่ใช่คนกลัวผีก็เลยบอกกับบอยว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนะบอยทั้งสองคนเห็นผมพูดเช่นนั้นก็ชักจะกล้าขึ้นมาบ้างเพราะว่ า, าเดิมเนี่ยแกคงคิดว่าพอบอกว่าผีอยู่ในห้องผมคงจะสะดุง้งคงจะตกใจกลัวแต่กลับตรงกันข้ามผมกับหัวเราะแกก็นึกว่า ามาพบคนบ้าบิ่นเขาแล้วก็เลยทำให้แกเนี่ยพลอยกล้าไปด้วยก็เลยพูดออกมาบอกว่าผมพูดจริงๆครับไม่ได้พูดเล่นไม่มีใครนอนจนสว่างได้เลยบางทีเนี่ยยังไม่ทันครึ่งคืนก็วิ่งออกจากห้องไม่ทันเพราะตกใจกลัวมากไม่กล้าเข้าไปในห้องอีกเท่าแกจึงไม่ค่อยให้ใครพักผมก็เลยบอกว่าขอบใจเธอสองคนมากนะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเรื่องผีฉันไม่เคยกลัวผีชอบหลอกคนขี้ขลาดคนใจอ่อนคนตกใจง่ายคนขี้กลัว ชันใจเข้มแข็งมากพอที่ผีกลัวชั้นธรรมดาผีไม่หลอกคนเล่นสนุกหรอกผีก็ต้องมีอะไรทุกข์ร้อนเพื่อให้คนช่วยเอาล่ะฉันจะเข้าไปนอนให้สบายเลยเมื่อพูดเสร็จเรียบร้อยผมก็รีบกลับเข้าไปในห้องใส่กรอนภายในก็ไขใไสตะเกียงให้สว่างขึ้นเพื่อจะคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อทราบว่าเป็นผีผมก็เบาใจเสียงบอยสองคนได้ยินผมพูดชักจะกล้าขึ้นบ้างลงไปพูดข้างล่างแล้วก็มีเสียงโจดจันกันเป็นภาษาจีนผมไม่เอาใจใส่ ตาก็จ้องทางหน้าต่างที่เปิดไว้จนผมง่วงนอนก็ยังไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกผมก็เลยหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้พอลืมตาขึ้นมาก็เห็นตะเกียงที่สว่างสวยอยู่นั้นค่อยๆดีลงไฟนวลเมื่อแสงไฟจวนจะดับเป็นสีน้าเงินผมต้องลุกขึ้นมานั่งเบิกตากว้างดูเพราะว่าเห็นเป็นผู้หญิงสวยแต่งตัวเป็นสาวชาวเมืองเหนือรูปร่างค่อนข้างสวยแต่ว่าหน้าเนี่ยเปอะเปืเปปเ้อนไปเรื่อค่ะ ประเดี๋ยก็ทำหน้าสวยงามประเดี๋ยก็ทำหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็มายืนจ้องหน้าดูจนหน้าของเธอเกือบมาติดกับหน้าผมผมมีจิตใจที่เข้มแข็งแม้ว่าเธอจะแสดงหน้าตาให้น่ากลัวอย่างไรก็ตามเพราะผมรู้ดีว่าแกเป็นผีผมต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งแกก็ทำอะไรผมไม่ได้สักครู่แกเห็นผมไม่กลัวแกก็ถามเป็นเสียงชาวเหนือคุณบกลัวคาเจ้าผมสั่นศีรษะบอกไม่กลัวเพราะเธอเป็นผีเธอถามว่าเพราะอะไร ผมบอกว่าเพราะฉันก็เคยเป็นผีเหมือนกันกับเธอเมื่อฉันยังไม่เกิดเป็นคนและเธอก็เคยเป็นคนเมื่อยังไม่เคยเป็นผีเธอพูดว่าข้าเจ้ารู้ว่าคุณเป็นคนใจเข้มแข็งไม่เหมือนคนอื่นพอเห็นข้าเจ้าตกใจกลัววิ่งหนีไปเราจึงไม่รู้เรื่องกันเลยเธอพูดขึ้นเหมือนคนปกติและรูปร่างก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไม่แสดงกิริยาจะเอาชนะผมอีกต่อไปเราก็เลยได้พูดคุยกันอย่างธรรมดาก็เลยถามเธอบอกว่าเธอต้องการอะไร ที่คอยหลอกคนที่มาพักในห้องนี้ทำให้เขาตกใจกลัวทันใดนั้นเธอก็สยายผมแล้วก็ก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นโศกเศร้าเสียใจผมปล่อยให้เธอร้องไห้ให้จุใจไปเลยแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นพลางพูดทั้งน้ำตาบอกว่า ข้าเจ้าได้รับความลำบากต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในห้องนี้มานานแล้วได้รับความอดอยากยากแค้นไม่มีใครทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ข้าเจ้าเลยข้าเจ้าขอให้คุณช่วยข้าเจ้าด้วยเพื่อจะได้พ้นทุกข์พันธนาการที่ทรมานนี้เธอพูดแล้วก็ร้องไห้เสือกเสื่ืืนผมรู้สึกสงสารเธอจับใจแล้วก็บอกเธอปอกไปว่าเอาเถอะเดี๋ยวจะหาทางช่วยเหลือเธอให้พ้นทุกข์พ้นร้อนเท่าที่จะหาทางช่วยเหลือเธอได้ ฉันจะไม่ลืมที่เธอช่วยเป็นอันขาดเธอชื่ออะไรนะเสียงของเธอตอบแกมสะอื้นว่าข้าเจ้าชื่อบัวผัดผมย้ำทวนชื่อของเธอแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาโดนใจให้ผมพูดกับเธอออกไปว่าอย่าร้องไห้เลยฉันจะช่วยเธอได้แน่จงวางใจเถอะแต่ฉันอยากจะขอร้องเธอว่าต่อไปนี้เธออย่าไปหลอกคนอื่นให้ตกใจกลัวอีกเธอพูดว่าถ้าคุณรับรองจะช่วยข้าเจ้าแน่แล้วต่อไปข้าเจ้าก็จะไม่แสดงตัวอีกขอให้คุณช่วยข้าเจ้าไวๆเถิด พูดแล้วเธอก็ก้มลงกราบผมกราบแล้วกราบอีกจนผมเผลอสติไปเพียงจําได้ว่าเธอก้มกราบเท่านั้นผมก็ล้มตัวลงนอนต่อจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องจนรุ่งเช้าผมตื่นขึ้นมาก็นึกถึงเรื่องที่ได้พบแล้วก็ได้พูดคุยกับวิญญาณของบัวผัดแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นพอเปิดประตูห้องก็พอดีว่านายฝรั่งสองคนแล้วก็คนไทยอีก3คนกําลังใส่กุญแจห้องแล้วก็ลงไปข้างล่างผมคิดว่าแกคงเข้าป่าแต่เช้าไปสํารวจตามเคยเช้า ว, วันนั้น ตามความสังเกตของผมเหมือนว่าตัวผมเนี่ยเป็นวีรบุรุษในโรงแรมเพราะว่าคนในโรงแรมตั้งแต่ตัวเท่าแก่ตลอดจนถึงบอยดึกกุ๊กรู้สึกว่าเอาใจใส่ผมมากถามผมว่าคุณเมื่อคืนนี้เนี่ยนอนสบายดีหรือเปล่าผมก็บอกสบายดีขอบใจที่เอาใจใส่เจ้าบอย2คนนั้นก็แอ บ, บเข้ามากระซิบถามเมื่อคือนคุณพี่พบผีผู้หญิงหรือเปล่าผมตอบสั้นๆเพียงว่าพบบอยถามต่อไปบอกทำไมคุณไม่วิ่งออกจากห้องล่ะผมก็เลยตอบเอา้า ฉันไม่กลัวนี่จะวิ่งทําไมล่ะก็เลยพูดว่าคุณเป็นคนแรกที่นอนได้ตลอดคืนคุณมีของดีอะไรนะหรือว่ามีคาถาขอผมบ้างได้ไหมผมตอบไปบอกฉันไม่มีคาถาอาคมอะไรถ้าเราใจอ่อนเราก็กลัวผีแต่ถ้าว่าเราใจเข้มแข็งผีก็กลัวเราต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวและรับรองว่าเธอไม่มาหลอกอีก ก็รู้สึกว่าเจ้าบอยนี้เนี่ยมันก็จะแสดงความดีอกดีใจไปเที่ยวบอกคนนู้นคนนี้ในโรงแรมตามความเข้าใจของแกว่าผมเนี่ยได้ปราบผีแล้วนะะแล้วก็ไม่มีผีอยู่ในห้องนี้ต่อไปทีนี้หลังจากนั้นก็เดินทางไปอีกหลายแห่งสุดท้ายปลายทางก็ขึ้นรถไฟไปที่เชียงใหม่พอขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วก็ขึ้นไปบนรถก็พบกับพระภิกษุอาวุโสชั้นเถระผู้ใหญ่องหนึ่งอยู่บนรถไฟชั้นหนึ่ง ผมก็ดีใจมากเพราะท่านอาจจะแก้ไขปัญหาให้ผมได้เมื่อผมเข้าไปนมัสการท่านแล้วก็สนทนาด้วยท่านก็แสดงความเมตตาปราณีสมกับเป็นสมณะแล้วก็ทราบว่าท่านอยู่กรุงเทพกำลังจะไปเชียงใหม่เหมือนกันแต่ว่าจะลงพักที่ลำพูนสักสองสวันจากนั้นก็จะขึ้นรถยนต์จากนาคร ล, ลำพูนไปพักที่เชียงใหม่ผมก็เลยถามขึ้นว่าถ้าเราจะทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณของคนตายแล้วจะทาอย่างไรจึงจะถึงผู้ตาย ผมก็เล่าประสบการณ์ประหลาดเกี่ยวกับวิญญาณของบัวผัดถวายท่านแล้วก็เห็นท่านนิ่งอยู่ครู่หนึ่งท่านก็พูดว่าเห็นจะต้องทำสังคานอุทิศส่วนกุศลให้นะคุณและท่านก็บอกถึงสิ่งที่ต้องถวายพระแล้วก็ให้พระท่านช่วยจัดที่พระพุทธการนิมนต์พระก็ไม่เจาะจงว่าองค์ใดเราไม่มีบ้านถวายที่วัดก็ได้ คราวนั้นผมขึ้นไปที่เชียงใหม่ในใจก็คิดจะช่วยวิญญาณบัวผัดให้พ้นเวรกรรมตามที่รับปากไว้แล้วฉะนั้นเมื่อผมขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วก็พักที่โรงแรมรถไฟเชียงใหม่ก่อนอื่นคิดว่าควรจัดการทําสังฆทานเพราะว่าในชีวิตน้อยคนนักที่จะได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมก็ยอมที่จะอุทิศส่วนกุศลเพราะยังกรุ่นคิดถึงวิญญาณของบัวผัดที่ร้องไห้อ้อนวอนขอความช่วยเหลืออยู่ไม่รู้ลืม ผมก็เลยจัดการไปหาสิ่งของเพื่อทําสังฆทานทุกสิ่งทุกอย่างหาได้โดยเรียบร้อยจากตลาดวโรรสผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าที่เชียงใหม่นี้มีวัดที่พระสงฆ์ไทยภาคกลางมาจําพรรษาอยู่แต่ก็มีวัดซึ่งมีพระพม่าจําพรรษาอยู่เหมือนกันซึ่งมีสองวัดอยู่ใกล้กันคือวัดพระไทยและวัดพระพมา่าผมก็เลยคิดว่าควรจะไปคอยอยู่ทางวัดเข้าไทยเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ถวายสังฆทานพระสงฆ์ไทยไม่ผิดเพราะเมื่อท่านบินธบัติแล้วกลับวัด เมื่อผมลำเลียงเครื่องสอาร์ถวายสังฆทานตามที่พระผู้ใหญ่ท่านได้แนะนําโดยรถม้าของชาวพาม่าซึ่งเป็นผู้ขับผมก็รอไม่นานนะก็พบกับพระสงฆ์ท่านกลับจากบินทบาทจะเข้าวัดก็เลยนิมนต์ให้ท่านรับสังฆทานที่วัดโดยรอนิมนต์พระครบสี่องค์พระท่านก็ได้ช่วยจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สอนให้ผมทําในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคําถวายสังฆทานแล้วท่านก็ให้กรวดน้ํา เมื่อเสร็จแล้วก็รู้สึกจิตใจของผมชุ่มชื่นที่ได้ถวายสังฆทานหายจากความทุกข์หนักอกที่รับปากกับวิญญาณของบัวผัดผมก็ทำตามสัญญาเสร็จโดยสมบูรณ์ไปแล้วทางวิญญาณของบัวผัดซึ่งเป็นผีผู้หญิงที่น่าสงสารนี้น่าจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศล แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยผมก็ได้รับการตอบแทนทางจิตใจได้รับความสบายใจคล้ายกับว่าผมได้ทำงานคือชิ้นใหญ่อันหนึ่งเสร็จสิ้นไปจิตใจก็โล่งหายหนักอกหลังจากนั้นเมื่อผมติดต่อการงานทางเชียงใหม่เรียบร้อยก็ลากลับกรุงเทพต่อ น, นั้นมาไม่นานผมก็ต้องขึ้นมาทางภาคเหนือด้วยกิจการงานอื่นๆต่อคราวนี้เนี่ยผมมาพักที่โรงแรมรถไฟที่ศบตุยนครลาปาง ตามปกติผมไม่ชอบพักในเมืองเพราะว่าผู้คนเจาะแจจ่อแจไม่ค่อยสงบนักแล้วก็ผู้จัดการที่โรงแรมรถไฟนี้เนี่ยชอบพอกันกันกบผมเพราะทุกครั้งที่ผมมาที่นครลำปางผมก็จะต้องมาพักที่โรงแรมที่นี่เป็นประจำ เมื่อผมมาพักแล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินทางต่อไปถึงเชียงรายในวันรุ่งขึ้นก็เลยสั่งให้คนไปช่วยกันจองรถที่จะออกเดินทางไปเชียงรายในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าแล้วผมก็ขอจองนั่งข้างหน้ารถเมื่อคนรับใช้ขี่จักรยานออกไปไม่ช้าก็กลับมาบอกได้ตกลงจองที่นั่งข้างหน้าไว้แล้วพรุ่งนี้เช้ารถออกเวลาประมาณ8โมงรถจะมารับที่โรงแรมให้ผมเตรียมตัวไว้ได้เลยจากนั้นผมก็รอเพียงเวลา ที่จะออกเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเพื่อติดต่อการงานทางเชียงรายแต่แล้วคืนวันนั้นผมก็ได้รับความประหลาดอัศจรรย์อีกครั้งก็คือผมหลับไปจนรุ่งสว่างแล้วก็ฝันว่าได้พบกับบัวผัดเดินเข้ามาในโรงแรมที่ห้องนอนผมในฝันนั้นเนี่ยเธอแต่งกายสวยงามหน้าตายิ้มแย้มผุดผ่องไม่มีความเศร้าโศกเหมือนเมื่อพบแกเป็นครั้งแรกเธอได้เข้ามาใกล้ๆแล้วก็ยกมือขึ้นไหว้ผมก็ตะลึงแล้วละ่ะ เธอก็พูดว่าคุณได้ช่วยข้าเจ้าให้พ้นทุกข์แล้วบัวผัดจึงมาหาคุณได้มาเพื่อขอขอบคุณที่ได้ช่วยตามที่รับปากกับข้าเจ้าไว้ข้าเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อจะมาบอกให้คุณรู้อีกอย่างหนึ่งคือพรุ่งนี้รถที่จะออกเดินทางไปที่เชียงรายออกเวลา8โมงถึง9โมงเช้านั้นขอให้คุณงดเดินทางซะอย่าได้ไปเลยรถคันนั้นสีจุด ๆ, ๆคนขับมีรูปร่างแบบนี้ใส่เสื้อแบบนี้ ขอให้จำคำของข้าเจ้าไว้ด้วยอย่าเดินทางตอนเช้าพรุ่งนี้ขอคุณจงงดเสียและขอให้คุณนั้นได้จ่ายเงินค่ารถให้เขาไปข้าเจ้าลาละหมดหน้าที่ของข้าเจ้าแล้วรุ่งเช้าผมตื่นนอนขึ้นมายังจำภาพฝันยังติดหูติดตาทั้งคำพูดคำจาของบัวผัดก็ยังไม่ลืมแต่ก็มาคิดทบทวนดูแล้วก็จะไปเชื่ออะไรกับความฝันทั้งคนทางโรงแรมก็ไปจองรถแล้วก็ที่นั่งไว้เรียบร้อยแล้ว เช้า8โมงรถก็จะมารับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมีเชื่ออะไรกับความฝันให้เสียงานเสียการเปล่าๆพอ7โมงเช้าทางโรงแรมก็จัดไข่ลวกแล้วก็ขนมปังกาแฟมาให้ผมที่ห้องผมก็แต่งตัวเตรียมพร้อมไว้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเมื่อรถมาก็จะได้ไปเลยหลังจากที่จัดการกับอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ก็นั่งอ่านหนังสือเพื่อรอเวลาให้รถมารับแล้วก็ออกเดินทางก็มองดูนาฬิกาเดือนใหญ่ที่ติดอยู่ข้างฝาของโรงแรมเนี่ยก็เห็นว่าจะจวน8โมงแล้วก็คิดในใจว่าเอเจ้าของรถเนี่ยคงจะตะเวนรอบตลาดเพื่อหาคนโดยสารแต่แล้วก็ได้ยินเสียงแตรรถดังขึ้นไม่ช้าก็เห็นรถที่วิ่งเข้ามาในโรงแรมเสียงคนรถร้องบอกมาตลอดทางว่าเจียงไห้เจียงไห้ พอรถจอดหน้าโรงแรมก็ต้องตกตะลึงเพราะว่ารถคันนั้นมันตรงกับความฝันทั้งสีของรถทั้งสีของเสื้อคนขับแล้วก็เหมือนเสียงกระซิบแว่วว่าว่าคุณอย่าไปนะเชื่อข้าเจ้าเถิดผมต้องขนลุกขึ้นมาทันทีคุณอย่าไปเชื่อข้าเจ้าเถิด ผมตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายเดินลงจากโรงแรมตรงไปที่รถซึ่งกำลังรอผมอยู่หน้าโรงแรมพลางควักเงินค่าโดยสารออกให้แล้วก็พูดกับคนขับว่าขอบใจน้องชายที่มารอตามเวลาขอชําระค่าโดยสารไปถึงเชียงรายแต่ฉันไม่ไปหรอกวันนี้ขอโทษด้วยนะคนรถก็รับเงินแล้วก็ง ง, งๆเพราะไม่คิดว่าผมจะไม่ไปเพราะเห็นเตรียมตัวรออยู่ก่อนหน้านี้แล้วแกก็รับเงินจากมือแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรครับแล้วไม่ช้ารถคันนั้นก็ออกจากโรงแรมไป ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าตัดสินใจไปนั้นมันผิดหรือว่ามันถูกสิ่งที่น่าคิดที่สุดคือผมมีธุระด่วนทางเชียงรายและต้องกลับไปถึงกรุงเทพช้ากว่ากำหนดหนึ่งวันโดยไม่มีเหตุผลงานทุกอย่างที่วางแผนไว้ก็เคลื่อนหมดซึ่งตามธรรมดาผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพวกโชคลางหรือว่าเรื่องของดวงชะตาอะไรมากมายนัก วันนี้ผมไม่ได้ออกจากโรงแรมใช้เวลาบันทึ ก, กเรื่องแล้วก็อ่านหนังสือเท่าที่มีติดตัวแต่แล้วเย็นวันนั้นเองบ่อยที่โรงแรมไปได้ข่าวจากตลาดบอกว่ารถโดยสารคันที่จะรับผมไปเชียงรายตอนเช้านั้นเนี่ยวิ่งไประหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุตกเขาลงเหวข้างทางคนโดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ล้มตายกันเป็นจานวนมาก ผมได้ทราบข่าวร้ายแรงที่น่าสะยุดสะยองซึ่งผมก็ไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนเพราะจิตใจเข้มแข็งพอแต่ผมก็สุดที่จะระงับความตรึงใจที่ผมได้รอดอุบัติเหตุคราวนี้ก็เพราะว่าวิญญาณของผู้หญิงที่ชื่อว่าบัวผัดผมตื้นตันใจพูดอะไรไม่ออก ผมเป็นลูกผู้ชายที่จิตใจเข้มแข็งอย่างไม่ย่อท้อต่อพยันตรายใดๆแต่ต้องมาสะอื้นด้วยความตื้นตันใจผมเล่าแบบไม่อายผมต้องร้องไห้จิตใ จ, จผมอ่อนลงเพราะความดีของดวงวิญญาณผู้หญิงคู่หนึ่งผมอยากจะเรียกว่าวิญญาณกตันยูคืนวันนั้นเราเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านๆสู่กันฟังจนดึกเลยละแล้วเราก็เข้านอนแต่ข้าพเจ้าก็อดคิดอดนึกถึงวิญญาณกตันยูของเพื่อนร่วมโรงแรมไม่ได้เช้าขึ้นเราต่างก็แยกกันที่สถานีข้าพเจ้าขึ้นเหนือแต่ท่านผู้นั้นล่องลง เรื่องวิญญาณกระตันยูเป็นเรื่องที่น่าคิดเรื่องหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะของอบรมครูเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะโดยที่ท่านใช้นามปากกาว่าทอเลียงพี่บุญค่ะ